บทที่39เวลา17บเนาฬิกานาทีรถบัสก็นำคณะผู้แสวงบุญมาถึงสารวะโนทยานสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพานของพระพุทธองค์ลงจากรถกันแล้วพระมกุเตจึงเดินนำไปยังพระสถูปปรินิพาน เมื่อเดินมาถึงเชิงบันไดก็ได้เล่าความเป็นมาของสถูปแห่งนี้ว่าในรัชสมัยของพระเจ้าอาโศกมหาราชพระองค์ได้เสด็จมายังสถานที่ปรินิพพานและได้พระจักรารทรัพย์หนึ่งแสนรูปีเพื่อก่อสร้างสถูปองค์นี้ขึ้นณที่ที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานภายใต้ต้นสาละคู่นี้จากนั้นจึงเข้าไปในสถูป ซึ่งมีพระพุทธรูปปางปรินิพานประดิษฐานอยู่บนแท่นอุบาสกอุบาสิกาเห็นแล้วเกิดความเศร้าสลดน้ำตาไหลไปตามๆกันอุบาสิกาหลายคนถึงกับสะอื้นออกมาท่านพระครูเกิดธรรมสังเวทพระจอมุนีผู้ทรงมหากรุณาต่อสรรพสัตว์ได้ทิ้งพระสรีระฝากไว้บนผืนแผ่นดินใลายเป็นอุทาหรณ์สอนเวนยสัตว์ทั้งหลายว่า เมื่อถึงเวลาจากโลกนี้ไปแม้ร่างกายก็เอาไปไม่ได้ผู้มีปัญญาพิจารณาแล้วย่อมไม่ดำรงชีวิตอยู่ในอำนาจแห่งความโลภความโกรธและความหลงอันเป็นเหตุเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นพระพุทธองค์ทรงดำเนินชีวิตอยู่เหนือกิเลสอาสวะ ท, ทั้งหลายทรงเป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นทรงเป็นปาปมุต คือผู้หลุดพ้นแล้วจากบาปทั้งปวงได้ฝากความดีไว้ให้ชาวโลกได้ระลึกถึงทรงเป็นแบบอย่างแห่งการดำเนินชีวิตที่ดีงามที่ท่านพระครูคิดว่าท่านจะต้องดำเนินรอยตามภิกษุวัยห0สเศษรู้สึกทราบซึง้งในพระมหาการุณาคุณขอ ง, ององค์สมเด็จพระบรมศาสดาทราบซึ้งมากถึงขนาดว่าถ้าท่านเป็นอุบาสกก็คงน้าตาตกเช่นกัน พระมกุเทศนำกล่าวบูชาสถานที่ปรินิพพานแล้วจึงอารัธนาเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงแสดงธรรมเพื่อให้ผู้ฟังเกิดความสังเวชคือความรู้สึกสลดใจที่ทำให้คิดได้ทำให้จิตใจหันมานึกถึงสิ่งดีงามเกิดความไม่ประมาทเพียรพยายามทำสิ่งที่เป็นกุศลต่อไป ท่านพระครูหยิบหนังสือเล่มบางๆออกมาจากย่ามบอกผู้ฟังว่าท่านไม่สามารถบรรยายได้แต่จะอ่านความบางตอนในหนังสือพุทธโอวาทก่อนปรินิพานเขียนโดยอาจารย์วสินอินทศร a ให้ญาติโยมฟังแทนแล้วจึงอ่านด้วยน้ำเสียงที่ทำให้ผู้ฟังเกิดความสังเวชยิ่งขึ้นดังนี้ภายใต้แสงจันทร์สีนวลยองใหญ่นั้น พระผู้มีพระภาคบันทมเหยียดพระวรากายในท่าสีหะสยยาแวดล้อมด้วยพุทธบริษัทมากหลายแผ่เป็นปริมณฑลกว้างออกไปสุดสายตาประดุดดวงจันทร์ที่ถูกแวดล้อมด้วยกลุ่มเมฆ ก, ก็ปานนั้นพระพุทธองค์ตรัสกับพระ อ, อ น, นุ์ว่า อ, อนน์เมื่อเราล่วงลับไปแล้ว เธอทั้งหลายอาจจะคิดว่าบัตรนี้พวกเธอไม่มีศาสดาแล้วจะพึ่งว้าเวไร้ที่พึง่งอานอน์เอ๋ยพึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าธรรมวินัยอันใดที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วขอให้ธรรมวินัยอันนั้นจงเป็นศาสดาของพวกเธอแทนเราต่อไปเธอทั้งหลายจงมีธรรมวินัยเป็นที่พึ่งเถิด อย่าได้มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยเมื่อพระอนุนไม่ได้ทูลถามอะไรพระธรรมราชาจึงตรัสต่อไปว่าดูกระพิกษุทั้งหลายผู้มาประชุมอยู่ณที่นี้ผู้ใดมีความสงสัยเรื่องพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในมรรคหรือปฏิบัติใดๆก็จงถามเสียบัดนี้เธอทั้งหลายจะได้ไม่เสียใจในภายหลังว่า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 พละกำลังของพระผู้มีพระภาคเจ้าเหลืออยู่น้อยเต็มทีแล้วประดุดน้ำที่เทลาดลงไปในดินที่แตกระแหงย่อมพลันเหือดแห้งไปไมิได้ปรากฏแก่สายตาถึงกระนั้นพระบรมโลกกนาตก็ยังประทานปัดชิมโอวาทเป็นพระพุทธดำรัสสุดท้ายว่าดูการะภิกษุทั้งหลายบัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแห่งเราแล้ว เราขอเตือนท่านทั้งหลายให้จำมั่นไว้ว่าสิ่งทั้งปวงมีความเสื่อมและสิ้นไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงอยู่ด้วยความไม่ประมาเทเถิดย่างเข้าสู่ปัจฉิมยามประจันโคจรไปทางขอบฟ้าทิศตะวันตกแสงโสมสาศาสองผ่านทิวไม้ลงมาท้องฟ้าเกลี้ยงเกลาประสจากเมฆหมอก รัชนีแจ่มจรัดดูเหมือนจะจงใจส่องแสงเปล่งปลั่งเป็นพิเศษครั้งสุดท้ายแล้วสลัวลงเล็กน้อยเหมือนจงใจอะไรในพระาศาสดาผู้เป็นครูของเทวดาและมนุษย์พระผู้มีพระภาคมีพระกายสงบหลับพระเนตสนิท พระอนุรุทธะเถระซึ่งเป็นพระเถระผู้ใหญ่อยู่ในเวลานั้นและได้รับการยกย่องจากพระผู้มีพระภาคว่าเป็นเลิศทางทิพยจักสุได้เข้าฌานตามทราบว่าพระพุทธองค์เข้าสู่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุตถฌานออกจากจตุตถฌานแล้วเข้าสู่อรูปสมาบัติ คืออากาศานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอกินจัญญยายัตนะเนวะสัญญาณาสัญญายตนาะและสัญญาเวทยิตนิโรธตามลาดับแล้วถอยออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธจนถึงปฐมฌานแล้วเข้าสู่ปฐมฌานจนถึงจตุตถฌานอีกเมื่อออกจากจจตุตถฌาน ยังไม่ทันเข้าสู่อากาสานัญจายตนะพระองค์ก็ปลินิพพานในระหว่างนี้เองในที่สุดแม้พระองค์จะต้องประสบอวสานเหมือนคนทั้งหลายพระธรรมที่พระองค์เคยพร่ำสอนมาตลอดพระชนชีพว่าสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นที่สุดนั้นเป็นสัจธรรมที่ไม่ยกเว้นแม้แต่พระองค์เอง นึกย้อนหลังไปเมื่อ15ปีก่อนปรินิพานพระองค์เป็นผู้โดดเดี่ยวเมื่อปัญจวัคคีย์ทอดทิ้งไปแล้วพระองค์ก็ไม่มีใครอีกเลยภายใต้โพธิบัลังครั้งกันนั้นแสงสว่างแห่งการตรัสรู้ได้ชดช่วงขึ้นพร้อมด้วยแสงสว่างแห่งรุ่งอรุณพระองค์มีเพียงหยาดน้ำค้างบนใบโพลึกเป็นเพื่อน ต้องเสด็จจากโพธิมนทนไปพรรณศสีด้วยพระบาทเปล่าถึงส0วันเพียงเพื่อหาเพื่อนผู้รับคำแนะนำของพระองค์สักห้าคนแต่มาบัดนี้พระองค์มีภิกษุสงฆ์สาวกเป็นจำนวนแสนจำนวนล้านมีหมู่ชนเป็นจำนวนมากเดินทางมาจากทุกสานุทิ์เพียงเพื่อได้เข้าเฝ้าพระองค์ บุคคลทั้งหลายรู้สึกว่าการได้เห็นพระพุทธเจ้านั้นเป็นความสุขอย่างยิ่งเมื่อส5ปีมาแล้วพระองค์ทรงมีเพียงย่าคามาัดหนึ่งที่นายโสทิยะนำมาถวายและทรงทรรมเป็นที่รองประทับมาบัดนี้มีเสนาสนะมากมายที่สวยงามซึ่งมีผู้ศรัทธาสร้างอุทิศถวายพระองค์เช่นเชตวัน เวรุวันชีวกรรมพวันมหาวันบุภารามนิโคทารามโคสิตารามเศรษฐีขะหบดีต่างแย่งชิงการจองเพื่อให้พระองค์รับพัตหารของเขาแน่นอนทีเดียวหากพระองค์เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิคงจะไม่ได้รับการนิยมเลื่อมใสถึงขนาดนี้และไม่ยืนานานถึงปานนี้ เมื่อสิบห้าปีต่อมาภายใต้โพลึกอันร่มเย็นริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชาราพระองค์ได้บรรลุแล้วซึ่งกิเลสนิพพานกำจัดกิเลสและความมืดให้หมดไปบัดนี้ภายใต้ต้นสาละทั้งคู่และความเยือกเย็นแห่งปัจชิมมยามพระองค์ก็ดับแล้วด้วยขันนิพพาน สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระรูปอันวิจิตด้วยมหาปุริศลักษณะ32ประการประดับด้วยอนุพยัญชนะ80มีพระธรรมกายอันสำเร็จแล้วด้วยนานาคุณรัตนะมีศีลขันธ์อันบริสุทธ์ด้วยอาการทั้งปวงเป็นต้นถึงฝั่งแห่งความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ด้วยยศ ด, ด้วยบุญด้วยฤทธ ด้วยกาลังและปัญญาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นยังต้องดับด้วยอาการตกลงแห่งฝนคือมอรณะเหมือนกองอักขีใหญ่ต้องดับมอดลงเพราะฝนหาใหญ่ตกลงมาฉะนั้นพระองค์เคยตรัสไว้ว่าไม่ว่าพานหรือบัณฑิตไม่ว่ากริสัพรามไวยะสูตรหรือจันทาน ในที่สุดก็ต้องบายหน้าไปสู่ความตายเหมือนภาชนะไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ในที่สุดก็ต้องแตกสลายเหมือนกันหมดนั้นช่างเป็นความจริงเสงนีกรไรอันว่าความตายนี้มีอิทธิพลยิ่งใหญ่นักไม่มีใครสามารถต้านทานต่อสู้ด้วยวิธีใดๆดได้เลยก้าวเข้าไปสู่ประสาทแห่งกษัตริยาทิราช และแม้ในวงชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างสง่าพาเผยประสาศจากความสะทกสถานใดๆเช่นเดียวกับก้าวเข้าไปสู่กระท่อมน้อยของขอทานพระยามัจจุราชนี้เป็นตุลาการที่เที่ยงธรรมยิ่งนักไม่เคยลำเอียงหรือกินสินบนของใครเลยย่อมพิจารณาคดีตามบทพระอายการและ อ่านคำพิพากษาด้วยถ้อยคำอันหนักแน่นเด็ดเดี่ยวไม่ฟังเสียงคัดค้านและขอร้องของใครท่ามกลางเสียงกล้ำครวนอันรคนด้วยกลิ่นทูบควันเทียนนั้นท่านได้ยื่นพระหัตออกกระชากความหวังของทุกคนหลุดลอยและแล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามพระบัญชาของพระองค์เมื่อมาถึงจุดนี้ความยิ่งใหญ่ของผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลาย ก็จะกลายเป็นเพียงนิยายที่ไว้เล่าสู่กันฟังเท่านั้นมงกุฎประดับเพชรมีค่าเท่ากับหมวกฟางพระคทาอันมีลวดลายวิจิตก็เหมือนต้นไม้ที่ไร้ค่าเมื่อความตายมาถึงเข้าพระราชาก็ต้องถอดมองกุฎเพชรลงวางทิ้งพระคทาไว้แล้วเดินเคียงคู่ไปกับชาวนาหรือขอทานผู้ได้ทิ้งจอบเสียหมวกฟางและคันไถ หรือภาชนะขอทานไว้ให้ทายาทของตนพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพพานไปแล้วพระกายของพระองค์เหมือนคนทั้งหลายซึ่งจะต้องแหลกสลายไปในที่สุดแต่ความดีและเกียรติคุณของพระองค์ยังคงดำรงอยู่ในโลกต่อไปอีก นานเท่าใดไม่อาจกำหนดได้ความดีนี่เองที่เป็นสาระอันแท้จริงของชีวิตโอ้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐพระองค์ผู้ทรงพระมหากรุณากวางใหญ่ดุดห่วงมหนันบมีน้ำพระทัยบริสุทธิ์ดุดน้ําค้างเมื่อรุ่งอรุณทรงมีพระทัยหนักแน่นดุดมหิดลได้รับทั้งเรื่องดีและเรื่องร้าย ทรงสละความสุขส่วนพระองค์ขนไหวยเพื่อความร่มเย็นของปวงชนพระองค์เป็นผู้ประทานแสงสว่างแก่โลกภายในคือดวงจิตประดุดพระอาทิตย์ให้แสงสว่างแก่โลกภายนอกคือท้องฟ้าปัตตพีบัดนี้พระองค์ปรินิพานเสียแล้วมองไม่เห็นแม้เพียงพระสารีระซึ่งเคยรับใช้พระองค์โปรยปรายธรรมรัตน์ประหนึ่งมากแก้ว แห่งพระเจ้าจากกักรพรรดิเป็นพาหนะนาำเจ้าของตรวจความสงบสุขแห่งประชากรโอพระมหาโมนีผู้เป็นจอมชนบนัดนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นประดุจนกในเวลาไล้โพหรือใส่ที่จะจับเกาะประดุจเด็กน้อยผู้ขาดมารดาเหมือนเรือที่ลอยคว้างอยู่ในมหาสมุทรอ้างว้างว้าเวสุดประมาณ จะหาใครเล่าเป็นผู้เสมอเหมือนพระองค์แม้พระอนุนพุทธอนุชาเองก็ไม่สามารถจะอดกลั้นน้ำตาไว้ได้เป็นเวลา25ปีจำเดิมแต่รับหน้าที่พุทธอุปถาคมาเคยรับใจใกล้ชิดพระพุทธองค์เหมือนเงาตามพระองค์บัดนี้พระพุทธองค์เสด็จจากไปเสแล้ว่ันรู้สึกว้าเวและเงียบเหงา ไม่ได้เห็นพระองค์อีกต่อไปเวลา25ปีนานพอที่จะก่อความรู้สึกสะเทือนใจอย่างรุนแรงเมื่อมีการพลัดพรากแต่แล้วเรื่องทั้งหลายก็มาจบลงด้วยสัจธรรมที่พระองค์ทรงพร่ำสอนอยู่เสมอว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นเพราะมีเหตุ สิ่งนั้นย่อมดับไปได้สิ่งทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นในเบื้องต้นตั้งอยู่ในท่ามกลางและดับไปในที่สุดบัดนี้พระพุทธองค์ดับไปแล้วดับอย่างหมดเชื้อทิ้งวิบากขันและกิเลสานุษยทั้งปวงท่านพระครูอ่านจบก็นั่งนิ่งเหมือนจะไว้อาลัย และถวายความเคารพพระองค์สมเด็จพระจอมไตรคณะผู้สแสวงบุญฟังด้วยกิริยาอันสงบไม่มีการพูดคุยหรือแม้แต่เสียงไอาจามก็ไม่มีผู้ใดปล่อยให้เล็ดลอดออกมาบรรยากาศจึงอยู่ในความสงบเงียบต่อเมื่อคณะผู้สแสวงบุญจากประเทศสีลังกาเข้ามาพระมกุเทศจึงชักชวนคณะของท่าน ไปขึ้นรถเพื่อจะไปนมัสการสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระซึ่งอยู่ไม่ไกลจากพระสถูปประมาณสมนาทีรถบัสก็มาจอดที่หน้าประตูทางเข้าลงจากรถกันแล้วพระเจริญก็เดินนำเข้าไปยังมกุฏตพันธนะเจดีขณะนั้นเป็นเวลาพรเพล แสงสีทองด้านขอบฟ้าเบื้องทิศตะวันตกลาลับไปแล้วความมืดกำลังโรยตัวเข้ามาปกคลุมยิ่งทำให้บรรยากาศดูเงียบเหงาวังเวงมากขึ้นดูเหมือนว่าความเศร้าเข้ามาแทรกซึมอยู่ในทุกอนูของสรรพสิ่งนักวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่าสส า, ารย่อมไม่หายไปจากโลกแต่ความเศร้าไม่ใช่สส า, าร ฉะนไหนจึงยังดำรงอยู่ให้ผู้คนได้มาสัมผัสอาจเป็นไปได้ว่าดวงจิตทุกดวงที่โศกเศร้าอะไรในการจากไปของพระพุทธองค์ในครั้งกระโ น, น้นได้รวมพลังกันอย่างนานแน่นและล่องลอยปกกลุมอยู่บริเวณนี้จึงทำให้จิตของทุกรูปนามที่เข้ามาในพื้นที่แห่งนี้เกิดความเศร้าส้อยไปด้วย นิมนต์หลวงพ่อวัดดอนเมืองนำคณะผู้ปฏิบัติธรรมแสดงความเคารพด้วยการเวียนประทักษินสามรอบรอบที่หนึ่งให้สวดพระพุทธคุณรอบที่สองพระธรรมคุณรอบที่สพระสังฆ ค, คุณนิมนต์ครับพระมัคุเทศเข้าใจถวายหน้าที่ให้พระภิกษุอาวุโสสองรูปท่านอรัธนาสมพานวัดป่ามะม่วงให้แสดงธรรมแล้ว ครั้งนี้จึงนิมนต์หลวงพ่อวัดดอนเมืองนำเวียนเทียนประทักศินบ้างหลวงพ่อวัดดอนเมืองรับนิมนต์ด้วยดีเพราะถือว่าเป็นหน้าที่ของพระอยู่แล้วผู้นำทัวและนางสาวสายใยรักช่วยกันจุดทูบเทียนให้อุบาสกถวายพระคุณเจ้าและแจกครหัดทุกคนจากนั้นการเวียนประทักศินจึงเริ่มขึ้น ทั้งพระและครือหัดต่างเปล่งเสียงสวดพุทธคุณธรรมคุณและประสังคคุณอย่างตั้งใจและเต็มใจเพื่อถวายเสียงเป็นพุทธบูชาเวียนประทักษินครบสามรอบแล้วท่านพระครูให้นั่งภาวนาอีก20สบนาทีโดยไม่ต้องให้พระเจริญอาราธนาอีกภาพพระภิกษุอุบาสกอุบาสิกานั่งสงบนิ่ง หันหน้าเข้ามาหามากุตภัณฑ์ธนะเจดีมีแสงเทียนส่องสว่างอยู่เบื้องหน้าเป็นภาพที่ก่อให้เกิดความรู้สึกลึกล้ำความรู้สึกแห่งความเลื่อมใสศรัท ธ, ธาระคนกับความอาลัยในพระผู้เป็นดวงประทีปแห่งโลกที่จากไปอย่างไม่มีวันกลับมาเกิดในภพภูมิใดอีกด้วยว่าทรงตัดความหลงในสงสารได้หมดสิ้นแล้ว ครบ20นาทีตามที่กำหนดไว้คณะผู้สแสวงบุญก็พากันขึ้นรถไปยังโรงแรมใกล้ชายแดนเนปาลขณะนั่งมาในรถไม่มีเสียงพูดคุยกันเช่นวันอื่นๆทั้นทงนี้ทั้งนั้นเพราะดวงจิตแต่ละดวงหอบความสังเวชจากปรินิพุตสถานติดตัวและหัวใจมาด้วย จึงไม่มีแก่ใจที่จะพูจาปราศัยกันทั้งไม่มีการอารัธนาพระภิกษุอาวุโสให้บรรยายธรรมด้วยเมื่อความเงียบเข้าปกคลุมความง่วงก็ตามมาสนับสนุนส่งเสริมไม่ช้าก็พากันหลับด้วยความอ่อนล้าและอ่อนแรงคงมีแต่สมภารวัดป่ามะม่วงเท่านั้นที่ไม่ยอมซิโรราบให้กับความง่วง ท่านนั่งแผ่เมตตาให้สัพพสัตว์ไปตลอดทางกระตั้งถึงโรงแรมที่พักเมื่อเวลาสองยามพระภิกษุเข้าที่พักส่งน้ำชำระร่างกายส่วนคฤรืหัดก็นำสัมภาระเข้าไปเก็บในห้องนอนแล้วก็พากันลงมารับประทานอาหารเย็นซึ่งกว่าจะได้รับประทานก็เกือบล่วงเข้า1นาฬิกาของวันใหม่จากนั้นจึงเข้าห้องอาบน้า และพักผ่อนเอาแรงเพราะวันพรุ่งนี้จะต้องเดินทางข้ามประเทศคือจากอินเดียไปเนปาลซึ่งจะต้องใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงกุสิตนาราห่างจากลุมพินีเป็นระยะทาง1 3 5ิกิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ6ชั่วโมงแต่เมื่อเดินทางมาถึงที่พักใกล้ชายแดนแล้วก็จะใช้เวลาเดินทางต่อไปอีกประมาณสองชั่วโมงเศษ วันรุ่งขึ้นเมื่อพระภิสุชันพัฒหารและครืหัตรรับประทานอาหารเช้าแล้วก็พากันขึ้นรถผู้นำทัวร์ได้ให้ทางโรงแรมจัดเตรียมอาหารสำหรับมื้อกลางวันไปด้วยและเมื่อขึ้นรถกันทุกรูปทุกนามแล้วรถบัสก็เคลื่อนตัวออกจากลานจอดรถของโรงแรมมุ่งหน้าไปยังลมพินีวัน เสียเวลาค่าด่านรวจคนเข้าเมืองอยู่เกือบสองชั่วโมงจึงเดินทางต่อไปและถึงชาตสสถานในเวลาสิบนาฬิกาตรงเมื่อเข้าไปนมัสการวิหารมายาเทวีแล้วพระม ก, กุเทศก็นำคณะผู้แสวงบุญไปยังใต้ร่มไม้เพื่อฟังการบรรยายโดยท่านเป็นผู้บรรยายเองด้วยว่ารู้สึกเกรงใจท่านพระครูที่ชื่อ และฉายาเหมือนท่านครั้นมีผู้ซักถามว่าพระกุมารสิท ธ, ธัตถะเมื่อประสูติรมเป่งพระวาจาอันองอาจว่าอย่างไรท่านตอบไม่ได้จึงต้องอาราธนาพระครูให้ช่วยเช่นเคยท่านพระครูบรรยายโดยการอ้างพระไตรปิฎกเล่มสิบทีคานิกายมหาวจมหาประธานสูตรข้อที่26 ซึ่งว่าด้วยธรรมดาของพระโพธิสัตว์ความว่าดูกระราภิกษุทั้งหลายธรรมดามีอยู่ดังนี้พระโพธิสัตว์ผู้ประสูตรแล้วได้ครู่หนึ่งประทับยืนด้วยพระบาททั้งสองอันสม่ำเสมอผินพระพักทางด้านทิศอุดรเสด็จดำเนินไปเจ็ดเก้าและเมื่อฝูงเทพพ ย, ายดากันสเสวตฉาด ต, ตามเสดตจอยู่ ทรงเหลียวแลดูทัวทิศเปร่งวาจาอันองอาจว่าเราจะเป็นยอดของโลกเราเป็นใหญ่แห่งโลกเราเป็นผู้ประเสริฐแห่งโลกความเกิดของเรานี้เป็นครั้งสุดท้ายบัดนี้ความเกิดอีกมิได้มีดังนี้ข้อนี้เป็นธรรมดาของพระโพธิสัตว์วาจาอันองอาจก็คืออสภิวาจาใช่ไหมครับพระทวัตถาม ท่านอยากแสดงออกบ้างว่าท่านก็มีความรู้เหมือนกันถูกแล้วท่านพระครูตอบอัสพิวาจาเป็นภาษาบาลีว่าอย่างไรครับคราวนี้ท่านต้องการลองภูมจเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงท่านพระครูรู้ว่าถูกลองภูมิจึงตอบว่าสมมุติว่าผมตอบไม่ได้ท่านจะตอบแทนผมได้ไหม พระนมจึงยิ้มแย่ๆและสารภาพว่าท่านจำไม่ได้ถ้าเช่นนั้นผมจะพูดให้ท่านฟังหนึ่งเที่ยวแล้วให้ท่านพูดใหม่ท่านฟังนะอสภิวาจาเป็นภาษาบาลีว่าอคโขหมัสมิโลกัสสะเชตโถหมัสมิโลกัสสะเศตโถหมัสมิโลกัสสะ อยะมันติมาชาตินัตถิธานิปุนภโวเอาละไหนท่านลองว่าบ้างสิผมจำไม่ได้ครับคนอยากลองภูมิตอบพร้อมกับยิ้มแย้แย่ทว่าครั้งนี้แย่ยิ่งกว่าครั้งก่อน